เนรรดลึกชาติท่านกล่าวไว้ในมหาวิบาทนรกมีถึงยี่สิบห้าหลุมตั้งแต่ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่ นรกเมืองผีมีถึงยี่สิห้าหลุมแล้วจากนั้นก็มาปลีกย่อยถ้าไปลงนรกเอเวจีแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่ได้พ้นแหละจมอยู่นั้นถึงจะเป็นกฎอนิจจงก็กี่กับกี่กันถึงจะเปลี่ยนมากรรมของสัตว์ประเภทนี้พวกค่าพ่อค่าแม่ข่าพระอรหรัน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 แล้วก็เหาะบึงขึ้นเหมือนสำลีรถทิพย์รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างั้นเป็นสีงามอร่ามตาอะไรนี้เราพูดไม่ถูกรถทิพย์แต่ก็ไม่ได้ถามว่ารถทิพย์นี้มาจากชั้นไหนจะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์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 รถทิพย์จะมาเองอาตมาไม่ไปแหละอาตมาหิวน้ำจะไปหาฉันน้ำก่อนลงจากนั้นก็ลงไปลงไปจนถึงบ้านน้ำกัมนี่แหละบ้านเขาอยู่ริมทุ่งนาเข้ามาตักน้าก็ไปขอบินทบาทฉันน้ำกับเขาเขาบอกว่าให้ไปบ้านหลังนี้นะเขาจะตักน้ำแล้ว ให้ไปที่นั่นไปรออยู่บ้านหลังนั้นเขาชี้บอกเห็นบ้านชัดๆอยู่บ้านหลังนั้นบ้านหลังจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิมๆจะหลับเหนื่อยเพียมากเคลิ้มๆแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วนั่นลหละ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 และลึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะชาติของพระองค์นี้มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสัตว์ทั้งหลายรู้ได้หมดด้วยพระญาณอย่างทราบไม่ได้ด้วยการสรุปสลดยเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมาแล้วและลึกชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมึงฮึ่กันเป็นบ้าไปพระพุทธเจ้าสัจสลูพระญาณอย่างทราบประกาศทมสอนโลกมนันี้กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างมันเป็นบ้าหรื อ, อยังไงมนุษย์เรานี่มันอยากว่าอย่างนั้นนะเราไปตื่นกับเรื่องแบบบ้าอย่างนั้นพวกคนสลบสลายตายฟื้นกลับคืนมาแล้วมาละลึกชาติได้แล้วตื่นกันฮึงฮาหึหา่ฮา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 มีปีมีเดือนมีอย่างนั้นตลอดเวลาพวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัดแน่นอัดเพราะสัตว์ทั้งหลายทำาจตกรรมชั่วนั่นสิทางสวรรค์ น, นี้เบาบางทางนรกนี้แน่นหนามั่นคงมากทีเดียวตั้งแต่เรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่หละให้จำให้ดีให้สดสดร้อน เทวดาคุ้มครองเรื่องเทวบุตรเทวดาเลยพูดให้ฟังพระท่านผู้ชำนานท่านชำนิชำนานในสมัยปัจจุบันนี้เองยังมีอยู่แต่เหมือนท่านไม่รู้พระท่านรู้เหมือนไม่รู้ ไม่เหมือนครว่าต์ไม่เหมือนคนทั้งหลายพระท่านรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นธรรมดาธรรมดาอันใดจะเป็นประโยชน์แก่ใครก็หยิบออกมาพูดหยิบออกมาพูดเมื่อวานนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาว่าพระท่านอดข้าวภาวนา อดไปหลายวันเทวดากลัวท่านหิวกลัวท่านตายเทวดาองค์นั้นเคยเป็นแม่ของพระองค์นั้นนั่นท่านรู้ขนาดนั้นนะมาขออุปถัมภ์อุปถากมองเห็นกันเดินไปเดินมาเห็นอยู่อากับกริยาแสดงอะไรเห็นอยู่เหมือนคนเห็นอยู่ชัดๆในเวลากลิ้บเงียบนั้นทางพระก็ตกใจสี ตาลืมอยู่ก็เห็นอยู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆเหมือนคนธรรมดาจึงพูดไปว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาโจมตีพระแหลกนะเทวดาว่าโจมตียังไงก็มองเห็นกันอยู่นี้ผู้หญิงกับพระอยู่ด้วยกันได้ยังไงเทวดาก็เป็นผู้หญิง หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ยก็ทำให้เห็นแต่ท่านเท่านั้นแหละคนอื่นมีกี่หมืน่นกี่แสนคนก็ไม่เห็นให้เห็นเฉพาะท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่ให้เห็นเอาอาหารทิพย์มาให้ดื่ม พูดกันด้วยภาษาใจไม่ได้พูดกันอย่างภาษาเรานะเอาอาหารทิพมาให้กินพระท่านบอกว่ากินไม่ได้เวลานี้ไม่กินข้าวอดอาหารภาวนาบางทีก็นําอาหารทิพมาหากลางคืนนี่เวลานี้กลางคืนไม่กินก็อ้างไปเสียแล้วเวลากลางวันก็ว่า เวลานี้อดอาหารก็พลิกไปเสียเทวดากลัวทุกยากลาบากกลัวเป็นกลัวตายถ้าอย่างนั้นแม่จะเอาข้าวมาเอาข้าวทิพแลมาทามาถูตามร่างกายให้ซึมเข้าไปให้ข้าวซึมเข้าไปไม่เอาถ้ากลัวตายไม่ต้องอดพระท่านก็แก้ของท่านไปอย่างนั้น กลางวีกลางวันก็มารออยู่ที่สูงสูงบนถ้ำรักษาความปลอดภัยให้ลูกลูกอยู่คนเดียวมารักษาความปลอดภัยให้ไม่ให้อะไรมาที่นี่ท้าเทวดาว่าไม่ให้มาสัตว์เสือช้างก็มาไม่ได้ไม่ว่าช้างว่าเสือว่าอะไรเทวดาไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ พวกเสือพวกเปรตพวกผีอะไรไม่ให้เข้ามาเทวดารักษาอยู่นี่อย่างนี้ก็มีฟังเอาแต่พวกเทวดานี้ร่างกายเหมือนสำลีนะเบาเบาเหมือนสำลีลงมาเหมือนสำลีปลิวลงมาขึ้นก็เหมือนสำลีเดินแบบธรรมดาเรานี้ก็ได้ได้ทุกแบบแบบสำลีมาก็มี แล้วแต่อาการแบบไหนที่ควรจะใช้ยังไงยังไงริยาบทใดควรใช้ยังไงใช้ได้ทั้งนั้นที่แปลกประหลาดมากก็เวลาคนตายพระไปอยู่ในถ้ำไกลๆจากบ้านบ้านในป่าในเขาไม่ค่อยมีพระละสิในป่าในเขาไม่ค่อยมีพระครั้นเวลาคนตาย ก็มานิมนต์พระท่านไปกุสลาให้ใครตายก็ตามในหมู่บ้านเขาต้องมานิมนต์ท่านไปกุสลาทรมาที่นี้พอคนตายทางพระนี้รู้แล้วนี่โหแล้วกันพรุ่งนี้ต้องไปอีกแล้วตอนนั้นท่านไม่ได้ฉันข้าวนะเป็นช่วงเวลาที่พระท่านอดอาหารภาวนาอยู่ ก็เลยต้องเดินทางไปกุสลาให้เขาในหมู่บ้านนุ่นเอาอีกแล้วคนตายแล้วตายในบ้านนูนท่านรู้แล้วทั้งนี้คนตายในบ้านอีกแล้วบางทีก็รู้ขึ้นภายในตัวเองบางทีเทวดามาบอกว่าคนตายแล้วนะอย่างนั้นก็มีมีได้หลายทาง มาจากเทวดาก็มีออกจากความรู้เจ้าของก็มีบอกอะไรก็จริงทั้งนั้นพอประมาณสักสิ0โมงเช้าเขาขึ้นภูเขามาแล้วมาอะไรละ่ะคอยฟังคำตอบมานิมนไปโปรโ ด, ดสัตว์แน่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนเลยพอตื่นนอนขึ้นมาเอาแล้ววันนี้ เตรียมกุจลาแล้ววันนี้พอเก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเชา้าคนโผล่ขึ้นไปแล้วอะไรล่ะโยมโอ้ยนิมนไปโปรดสัตว์พวกเรามันพวกตาบอดไม่เห็นท่านผู้ตาดีท่านเห็นธรรมดาเหมือนเราตาดีเห็นอะไรนี่ท่านผู้ตาดีภายในนี่ละ่ะสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดผิดที่ตรงไหนนี่ละกิ่งก้านของศาสนามีอยู่หมดเลยตั้งแต่อริยสัจเป็นต้นเป็นแกนขยายกิ่งก้านสาขาออกไปหาพวกเรสพวกนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพวกเรสพวกผีพวกอะไรอะไรนี้เป็นกิ่งก้านของอริยสัจในวงศาสนา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 อำเภอรพอรเจริญจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่คำตันท่านพักอยู่ดังนี้ขบขันที่ว่าในบริเวณนั้นเป็นหินดานแล้วก็พวกช้างพากันมาเล่นน้ำอยู่บริเวณหินดานที่มีน้ำเต็มอยู่แถวนั้นตั้งแต่สมัยคนยังมี น, น้อยน้อยโน้น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 ขโขลงช้างก็มาเล่นน้ำที่นั่นละสิเล่นน้ำที่มากันเป็นโขล ง, ข ง, ขงเล่นจนกระทั่งคนราคาญเสียงมันอึกระทึกบางคืนจวนสว่างจึงพากนันหนีไปไม่ทราบว่าเขากินอะไรกันเพราะเล่นน้ำอยู่ตั่นเกือบปลอดคืนแต่ละครั้งแต่ละครั้ง